จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษั์อุบาสกอุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่พวกเราได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาปฏิบัติภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติกันคือมาทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละการกระทาบาปทั้งปวงชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัด ความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงไม่มีทางอื่นที่จะพาเราไปได้ไม่มีสิ่งอื่นจะพาเราไปได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นและ เป็นสิ่งที่เราควรจะรีบขวนขวายกันเพราะเป็นการแข่งกับเวลาเวลาของเราก็มีน้อยเวลาของพระาศาสนาก็มีน้อยเช่นเดียวกันอย่างพระาาศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราในสมัยนี้ท่านทรงตรัสไว้ว่าจะมีอายุยืนไม่เกิน5 0 0 0ันปี หลังจากนั้นโลก ก, โลกก็จะว่างจากศาสนาว่างจากพ่อธรรมคำสอนจะไม่มีใครรู้เรื่องการทำความดีการละบาปการชำระจิตใจว่าเป็นหนทางที่จะนำพาไปสู่ความสุขความเจริญความประเสริฐโลกก็จะมืดเหมือนกับ ที่ไม่มีแสงอาทิตย์เวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ก็เหมือนตอนกลางคืนเวลากลางคืนมืดแล้วถ้าไม่มีแสงไฟอย่างอื่นก็จะมองไม่เห็นอะไรจะไม่สามารถทำอะไรได้ไม่สามารถจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้เราต้องอาศัยแสงสว่างใจของเราก็เป็นเหมือนกับ โลกนี้ที่ต้องอาศัยแสงสว่างแห่งธรรมถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมใจก็จะถูกความมืดแห่งความหลงความเห็นผิดเป็นชอบครอบงำจิตใจเมื่อมีความหลงแล้วก็จะทำในสิ่งที่เกิดความเสียหายเกิดความเสื่อมเสียตามมาเพราะความหลงจะทำให้เกิดความโลภความอยาก ในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่จะไม่เป็นสิ่งที่ไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงความหลงนี้จะมองไม่เห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้อยากจะสัมผัสกันถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมมีปัญญาเราจะเห็น เห็นความไม่เที่ยงอนิจจังเห็นทุกขังเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆเห็นอนัตตาเห็นการไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงดังนั้นศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนา การพ้นทุกข์ผู้ที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีพระศาสนามีแสงสว่างพาไปถึงจะไปจุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันได้นั่นก็คือพระนิพพานที่ที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ที่ที่ไม่มีความทุกข์มีแต่บารมีสุขที่เรียกว่าปรมังสุ ข, ขังเป็นที่ที่ศาสนาจะพาให้เราไปได้พวกเราจึงถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้อยู่เป็นแสงสว่างพาเราไป ถ้าเราถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของเราเราจะคิดกันว่าเกิดมาแล้วตายแล้วก็จบกันเพราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเองส่วนที่เรามองไม่เห็นก็คือดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณถ้าออกจากร่างกายดวงจิตดวงใจที่เราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ แต่เรามองไม่เห็นกันเราก็เลยไม่รู้ว่าเรามีดวงจิตมีดวงใจมีดวงวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่ต่อเราเราถ้าไม่มีศาสนามาสั่งสอนพวกเราเราก็คิดว่าทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วมีผลก็แค่เพียงในชาตินี้เท่านั้นจะไม่มีผลตามมาต่อไปในอนาคต ก็จะทําให้เราประมาททําให้เราไม่สนใจที่จะทําความดีเพราะการกระทําความดีของปุถุชนอย่างพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะจิตใจของเรานั้นชอบทําในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเราได้สะสมนิ ส, สัยแห่งการกระทําสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นเวลานานพอจะต้องมาทําในสิ่งที่ดีก็เลยรู้สึกลําบากยากเย็น เหมือนกับเราเคยถนัดมือขวาแล้วเราต้องมาใช้มือซ้ายเราจะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยถนัดจะลำบากจะไม่อยากใช้มือซ้ายแต่ถ้าเรามีความจำเป็นจริงๆเช่นสมมุติว่ามือขวาของเราเกิดพิกลพิการไปไม่สามารถใช้การได้เหลือแต่มือซ้ายมือเดียวแขนซ้ายแขนเดียว เราก็จำเป็นจะต้องหัดใช้แขนซ้ายนั้นไปจนได้ใช้ไปจนชำนาญได้บางคนไม่มีแขนก็ยังใช้เท้าแทนได้บางคนนี่ใช้เท้าวาดรูปสวยกว่าคนที่ใช้มือวาดรูปเสียอีกเพราะร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นผู้ที่วาดผู้ที่ใช้ร่างกายคือใช้แขนใช้มือใช้ขาคือใจ ถ้าใจมีความสามารถแล้วสามารถใช้ได้ทั้งแขนทั้งขาดังนั้นเราจึกไม่ควรที่จะปล่อยให้ความยากลำบากในการทำความดีในการละการกระทำบาปในการชาระจิตใจด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เป็นอุปสรรคขวางกั้นต่อการดำเนินตาม แนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพราะถ้าเราปล่อยให้ความยากความลำบากเป็นคึนอุปสรรคแล้วเราจะไม่สามารถฟันฝ่าเราจะไม่สามารถก้าวไปสู่จุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ก้าวไปถึงได้เราต้องดูพระพุทธเจ้าดูพระสาวกเป็นตัวอย่างว่าท่านก็เป็นเหมือนกับเรามาก่อน เป็นปุถุชนธรรมดาสามัญชอบทำบาปมากกว่าทำบุญชอบทำสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าการทำความดีแต่ท่านมีจิตสำนึกที่เห็นว่าการทำความดีมีคนมีประโยชน์มากกว่าการทำบาปท่านก็เลยพยายามฝืนพยายามหัดทำไป เมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิด เ, เกิดเป็นความชํานาญขึ้นมาเกิดเป็นความถนัดขึ้นมาก็จะสามารถทําความดีไปได้ตลอดจะลําบากก็เพียงช่วงแรกๆที่เรายัางไม่เคยทําก่อนเท่านั้นเองแต่เมื่อเราฝึกทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเกิดความชํานาญเกิดความถนัดขึ้นมาแล้วเราก็จะถือว่า เป็นเรื่องปกติไปเช่นบางท่านที่ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนเมื่อมีเพื่อนฝูงเชิญชวนมาเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเมื่อมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะติดเป็นนิสัยต่อไปไม่มีใครชวนก็จะมาเองอยากจะมาเพราะมาแล้วได้รับความสุขได้รับความฉลาดคือได้ยินได้ฟัง ในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะไม่รู้ไม่เห็นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็จะไม่พูดเรื่องเหล่านั้นเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่เขารู้กันเรื่องที่เขารู้กันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่เป็นความจริงคือเขาไม่เห็นความจริงของเรื่องที่เขารู้กัน เขาคิดว่าเรื่องที่เขารู้กันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นความจริงเช่นเขารู้ว่าร่างกายของเขาของเรานั้นเป็นตัวเป็นตนมีมีเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตามหลักความจริงแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้น UH, าา ร, า ร, ารน่างกายของเรานั้นไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ร่างกายของเราเราก็เห็นอยู่ว่าเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องตายไปเมื่อตายไปแล้วก็กลายเป็นดินกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปไม่มีเป็นของใครมาจากดินก็ต้องกลับคืนสู่ดินไปเท่านั้นเองเรื่องเหล่านี้คนทั่วไปจะไม่รู้ไม่เห็นกันก็จะไม่พูดกันเมื่อไม่พูดกันก็ยิ่งทําให้เราไม่รู้ มากขึ้นไปใหญ่ทำให้เราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเมื่อเกิดความหลงแล้วก็จะเกิดความยึดติดยึดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราจริงๆของเราจริงๆและอยากจะให้อยู่ไปกับเราไปตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องจากจากไป ใจก็ร้องหย่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทั้งๆ ท, ที่ใจก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยแต่ใจไม่มีความรู้ที่ถูกต้องนั่นเองจึงเศร้าโศกเสียใจแต่ใจที่ได้รับการศึกษาเริ่มเรียนตามพระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา จะรู้ว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องแตกดับต้องตายไปเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็จะไม่หลงไม่หลงยึดติดไม่หลงอยากได้ให้อยู่ไปกับตนไปนานๆก็ยินดีที่จะอยู่กับมันไปจนถึงวันสุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่มันจะไปก็ปล่อยให้มันไปเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ทำไมใจจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจมาวุ่นวายใจด้วยคนรู้แล้วจะเป็นอย่างนั้นเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ตาวกทั้งหลายท่านรู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวท่านไม่ได้เป็นของของท่านเป็นเหมือนสมบัติยืมเขามาเวลาเรายืมของใครเข้ามาเราจะไม่ยึดติดเราจะไม่อยากเก็บไว้เป็นของเราเมื่อเรา ยืมเขามาใช้เสร็จแล้วเราก็เอาไปคืนเขาเช่นเวลาเราไม่มีมีดเราก็ไปยืมมีดของเพื่อนมาใช้พอเราใช้เสร็จแล้วเราก็เอาไปคืนเขาเราก็ไม่รู้สึกเสียอกเสียใจเสียดายอะไรเพราะเรารู้แต่ตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็เลยไม่หลงไปอยากที่จะให้อยู่กับเราเป็นของเรานั่นเอง ทังใดการที่เราได้มาวัดเราก็ได้มายินได้ฟังในสิ่งที่ตามปกติเราจะไม่ได้ยินได้ฟังกันเพราะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั้นจะเป็นความหลงทั้งนั้นหลอกให้เรายึดให้เราติดกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้กับคนนั้นกับคนนี้กับร่างกายอันนั้ น, น, นกับร่างกายอันนี้เมื่อเราเกิดความยึดติดแล้ว เราก็จะต้องวุ่นวายใจไปกับสิ่งที่เรายึดติดเพราะสิ่งที่เรายึดติดนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีมามีไปมีได้มีเสียมีเจริญมีเสื่อมเวลาที่ได้มาก็ดีอกดีใจเวลาที่เจริญก็ดีอกดีใจเวลาเสื่อมไปเวลาจากเราไป เราก็เสียอกเสียใจร้องหมร้องไห้ไม่มีใครสอนไม่มีใครพูดถึงการปล่อยวางกันเลยไม่มีใครพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่กันนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเป็นสมบัติชั่วคราวอยู่กับเราชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ต้องจากกันไปถ้าทุกคนคุยกันกันเรื่องเหล่านี้แล้วเชื่อได้ว่าโลกเหล่านี้จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะไม่มีใครโลภอยากได้อะไรมากเกินกว่าความจำเป็นคือพอมีพอกินก็ถือว่าพอแล้วจะเอาอะไรไปมากมายเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเอาไปทำไมเดี๋ยวไม่นานก็ต้องจากมันไปมันก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปถ้าคนได้ยินได้ฟังทาอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจจะปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ จะไม่หวงจะไม่ตะหน่มีอะไรพอที่จะช่วยเหลือใครได้แบ่งปันให้กันได้ก็ยินดีไม่อยากจะเก็บเอาไว้เป็นภาระทางจิตใจเพราะการเก็บเอาไว้นั่นก็หมายถึงว่ายังมีความหวงยังมีความตะหน่อยู่นั่นเองนอกจากเก็บเอาไว้ด้วยเหตุผลคือเผื่อเผื่อวันข้างหน้าเวลาที่เราเกิดการขัด ขาดสนคือขาดแคลนไม่มีรายได้หรือเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองเช่นในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้มีเงินทองที่เราเก็บไว้นี้ไว้มาดูแลรักษาเราได้นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมเวลาใครเขามีความทุกข์มีความเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาได้ เราได้รับความสุขมากกว่าการเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เวลาเก็บเงินเก็บทองแล้วแทนที่จะมีความสุขกลับมีความกังวลมีความห่วงใยกลัวจะหายกลัวจะถูกลักขโมยไปแต่ถ้าเราเอาเงินที่ที่เรากลัวจะหายกลัวจะถูกลักขโมยไปนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเอาไปทำสาธารณประโยชน์ สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากเราก็จะมีความสุขดีกว่าเก็บเอาไว้แล้วมีแต่ความกมังวลเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็จะมีความสบายใจไม่ห่วงใยงเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากสิ่งต่างๆไปเราจะจากไปอย่างสบายใจและจะไปดี ถ้าเราไปไม่ถึงพระนิพพานเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปจนในที่สุดก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเป็นทางเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาได้ปฏิบัติมาท่านทําอย่างนี้ทั้งนั้นท่านทําบุญทํากุศลอยู่ตลอดเวลา ท่านละเว้นจากการกระทำบาปเสมอท่านต่อสู้กับความโลภ ก, กับความโกรธกับความหลงอยู่ตลอดเวลาเวลามีความโลภ ก, ก็ใช้เหตุผลมาดับความโลภอยากจะได้อะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่ามีความจำเป็นหรือไม่สิ่งที่อยากจะได้ถ้าไม่มีความจำเป็นก็จะไม่เอาเช่นถ้าไม่มีสิ่งที่อยากจะได้แล้ว จะต้องตายไปหรือไม่ถ้ายัางไม่ตายไปก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหามาไม่ต้องเอามาเช่นเห็นรองเท้าคู่ใหม่อยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่แต่เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็เห็นว่ารองเท้าที่อยู่ในตู้อยู่ในบ้านก็มีเต็มไปหมดใส่ก็ยังใส่ไม่ได้หมดเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีความจำเป็นไม่ได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาก็ไม่ตาย นี่คือวิธีต่อสู้กับความโลภแต่สิ่งที่จำเป็นเราก็ต้องหามาเช่นอาหารต้องมีรับประทานอย่างนี้ขาดไม่ไดอ้อากาศต้องมีไว้หายใจน้ำต้องมีไว้ดืม่มอย่างนี้ก็ต้องมีเอาไว้ถ้าอยากจะได้สิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่ต้องอยู่ในประมาณต้องอยู่เพอความความพอดี คือไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปถ้ามากจนเกินไปก็เป็นความโลภเหมือนกันเพราะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคนเราก็มีท้องเดียวกินได้เพียงเท่านั้นกินมากไปก่า น, นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่จะเกิดโทษทำให้ร่างกายมีน้ำหนักเกินความจำเป็นทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้รูปร่างไม่สวยงาม คนที่กินมากๆจนมีน้ำหนักเกินก็จะเป็นคนอ้วนคนอ้วนก็จะมีรูปร่างที่ไม่สวยงามดังนั้นถึงแม้สิ่งที่เราอยากจะได้นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเราก็ต้องรู้จักประมาณคือให้มันพอดีกับความความต้องการของร่างกายอย่าให้มันมากเกินไปถ้ามันมากเกินไปแล้วมันก็จะเป็นโทษไม่เป็นคุณ นี่คือการต่อสู้กับความโลภต้องใช้เหตุและผลส่วนความโกรธเราก็ต้องใช้ความเมตตาต้องให้อภัยกันถือเสียว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราอยู่ร่วมกันก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจะไม่ให้การกระทบกระทั่งกันนั้นมาสร้างความทุกข์ให้กับเราความโกรธนี้เป็นความทุกข์ เพราะความโกรธนี้เป็นเหมือนไฟที่กำลังเผาใจของเราอยู่ถ้าเราลองสังเกตดูเราจะเห็นเปรียบเทียบดูระหว่างเวลาที่เราไม่โกรธกับเวลาที่เราโกรธเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยอย่างในขณะนี้ใจของเราโกรธหรือไม่คงจะไม่โกรธกันเพราะถ้าโกรธแล้วคงจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้คงจะต้องลุกไปทาในสิ่งที่ ที่จะทำให้ความโกรธนั้นหายไปแต่การกระทำแบบนั้นไม่ได้เป็นวิธีที่จะทำให้ความโกรธหายไปได้อย่างแท้จริงเพราะเมื่อเราทำอย่างนั้นไปแล้วความโกรธหายไปเดี๋ยวคราวหน้าความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาได้ใหม่ได้อีกเช่นใครทำให้เราโกรธเราก็ไปต่อว่าต่อขานไปทะเลาะเบาแวงกับเขาเสร็จแล้วความโกรธนั้นก็หายไป คราวหน้าพอเจอกันอีกมีเรื่องมีราวกันอีกก็ต้องไปทะเลาะบอกแหวงกันอีกแต่ถ้าเราให้อภัยเราไม่ถือสาคิดเสียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาทํามันก็ผ่านไปแล้วย้อนกลับไปไม่ได้ลบมันออกไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราลบได้ก็คือลบมันออกไปจากใจของเราคือไม่ไปคิดถึงมัน ด้วยการให้อภัยพอเราให้อภัยได้แล้วใจของเราก็จะสงบเย็นและต่อไปคราวหน้ามีปัญหาแบบนี้เราก็จะสามารถระงับดับความโกรธได้เสมอไปเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร แต่เวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนคนที่ไม่จองเวนจองกรรมนั้นเป็นคนที่อยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่คนที่จองเวนจองกรรมจะอยู่แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับพอและคิดถึงเรื่องที่ทําให้โกรธทีไรก็เกิดเป็นฟืนลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีนี่คือวิธีต่อสู้กับความโกรธ ก็คือต้องรู้จักให้อภัยต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเหมือนกับเป็นความฝันเมื่อคืนนี้เราฝันถึงเรื่องอะไรจะดีหรือจะชั่วอย่างไรมันก็ผ่านไปแล้วเราถ้าไม่คิดถึงมันมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราฉันใดเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้ว เราไม่คิดถึงมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเราเช่นในขณะนี้เรานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่เราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อที่ผ่านมาที่ทำให้เราวุ่นวายใจที่ทำให้เราไม่พอใจเพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงมันนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องหัดพยายามปล่อยวางให้ได้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไป ถ้าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ปล่อยมันไปแต่อะไรที่มันทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ทำให้เราฉลฉลาดขึ้นทำให้เราหูตาสว่างขึ้นเราก็ควรที่จะคิดถึงมันบ่อย ๆ, <S <S อยๆเช่นเราทำอะไรผิดพลาดไปแล้วเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรจะกระทำอีกเราก็ควรที่จะเตือนสอนเราอยู่เรื่อยๆ ว่าการกระทําแบบนี้ไม่ดีทาไปแล้วทําให้เกิดความเสียหายทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นถ้าเราคิดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยเป็นประโยชน์เป็นคุณดังนั้นเรื่องที่ผ่านไปแล้วนั้นมีทั้งเรื่องที่เราควรที่จะลืมและเรามีเรื่องที่เราควรที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยเช่นวันไหนเราทําความดีแล้วเรามีความสุข เราก็ควรจะคิดถึงการกระทำเหล่านั้นอยู่ได้เรื่อยเพราะเมื่อเราคิดถึงแล้วก็จะทำให้เราอยากจะทำอีกเมื่อเรามีโอกาสเราจะได้รีบทำกันอย่างวันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้รับประโยชน์จากการฟังเราได้รู้จากถึงชีวิตของเราว่าเป็นอย่างไรรู้ว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้ไม่ได้เกิดแล้วตายเพียงเท่านั้น รู้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเรายังต้องไปเวียนว่า้ตายเกิดอีกแล้วเราจะไปสูงไปต่ำก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราดำเนินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำความดีละบาปชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดี จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะได้ไปถึงที่ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ดำนนไปถึงนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคิดอยู่เรื่อยๆพอคิดแล้วถักเกิดประโยชน์ทำให้เรามีจิตใจสดชื่นเบิกบานทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะทำความดี ที่อยากจะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงแต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้แล้วพอเราไปทำเรื่องอื่นขึ้นมาเราก็จะลืมถึงสิ่งที่ดีที่วิเศษที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้เราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปโลภอยากได้กับสิ่งต่างๆที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจ สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราเพราะความหลงนี้พอเห็นอะไรถูกอกถูกใจก็อยากจะได้ขึ้นมาทันทีโดยไม่เคยคิดเลยว่าเอามาทาไมเอามาแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันให้ความสุขกับเราจริงหรือไม่หรือมันมีความทุกข์แฝงมาด้วยความทุกข์ที่เกิดจากการมีความห่วงใยความทุกข์ที่เกิดจากความหึงหวง ความทุกข์ที่เกิดจากความเสียใจเวลาที่สิ่งนั้นจากเราไปสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยคิดกันเท่าไหร่เพราะเราไม่มีปัญญานั่นเองเราคิดไม่เป็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราหัดคิดอยู่เรื่อยๆอยแล้วต่อไปเราจะไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความทุกข์มาใส่ใจของเราเราจะปล่อยวางเป็นเราจะไม่ยึดไม่ติด เราจะไม่อยากได้ในสิ่งที่มันไม่จีรังถาวรมันไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันไม่ได้เป็นสมบัติเป็นข้าวของเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ถ้าเราใช้ปัญญาคิดด้วยปัญญาอยู่เสมอถามตัวเองเสมอว่ามันจีรังถาวรหรือไม่จะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดหรือไม่ หรือจะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราถ้าเราถามตัวเองเราอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ถูกความหลงหลอกแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนขวนควายหาสิ่งต่างๆมาทุกวันนี้ชีวิตของเรานี้ลำบากยากเย็นเพราะไม่ใช่ไม่มีไม่มีกินไม่มีอยู่แต่เป็นเพราะว่าไม่รู้จักคําว่าพอเท่านั้นเอง เพราะถูกความหลงหลอกอยู่เรื่อยๆได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ไม่รู้จักว่าพอสักทีเพราะสิ่งที่เราได้มามันไม่ให้ความพอกับเรานั่นเองสิ่งที่จะให้ความพอกับเราเรากลับไม่แสวงหากันสิ่งที่ให้ความพอกับเราก็คือการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่เองคือทำความดีละการกระทำบาป แล้วก็กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้แล้วรับรองได้ว่าความพอจะเกิดขึ้นมาตามลําดับจนเป็นความพอที่มีอยู่เต็มหัวใจเช่นเดียวกับของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่หิวไม่อยากกับอะไรแม้ท่านจะไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองเลยก็าตาม แต่ท่านก็ไม่หิวไม่อยากไม่เหมือนกับพวกเราที่มีสมบัติเข้าของเงินทองเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแต่ก็ยังไม่มีความพอเสียทีดังนั้นจึงขอให้เราจงเห็นคุณค่าของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะการเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะทําให้เราสามารถปฏิบัติตาม พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราได้พบพระธรรมคำสอนแล้วขอให้เราน้อมเข้ามาพยายามปฏิบัติไปในเบื้องต้นจะรู้สึกยากลำบากอย่างไรก็ขอให้เราอดทนเอาไว้ฝืนทำไปแล้วเมื่อเราได้รับผลคือความสงบน้มเย็นเป็นสุขในจิตใจแล้วเราจะมีกําลังจิตกําลังใจที่จะปฏิบัติให้มากยิ่ ง, งขึ้นไปเรื่อย จนถึงผลอันเลิศประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันเราก็จะได้รับผลนั้นเช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องการปฏิบัติบำเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านนําไปปฏิบัติด้วยกับด้วยความเชื่อความศรัทธาด้วยสติด้วยปัญญาด้วย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 ด้วยอายุวันนะสุขะภะละโดยทั่วหน้าอาการเธอ